สัมยศาลาการเปลี่ยนเป็นอาคารอนเนกประสงค์ในงานสถาปัตยกรรมไทยซึ่งก่อสร้างในเขตสังควาสของบริเวณวัดเพื่อใช้ประกอบกิจกรรมต่างๆทางพุทธศาสนาแต่เดิมนั้นใช้เป็นสถานที่เพื่อการเรียนของสงฆ์เท่านั้นซึ่งเปลี่ยนมาจากภาษาบาลีว่า บาเรียนหมายถึงพระที่ได้เรียนหรือพระนักเรียนสมัยที่ผมยังเป็นเด็กเมื่อประมาณ30ปีก่อนวัดไกรบานมีคณะทอดพระปามาจากเมืองหลวงซึ่งน่าจะได้เงินไม่ใช่น้อยจึงมีการสร้างศาลาการเปลี่ยนหลังใหม่แทนหลังเก่าที่ชำรุดทรุดโทรมไปมากซึ่งเจ้าวาดได้จ้างผู้รับเหมามาจากในเมืองหลวงพ่อบอกว่าศาลาหลังใหม่จะใหญ่มาก ตองอาศัยช่างที่ชำนาญการและทาทั้งกลางวันกลางคืนจึงต้องจ้างช่างจากในเมืองศาลาหลังใหม่อยู่อีกด้านของวัดหลังจากทำบุญฟังเจ้าวาทเทศแล้วชาวบ้านก็มักจะเดินมาดูการก่อสร้างศาลาที่อยู่อีกด้านหนึ่งตอนช่วงลงเสาก็มีเรื่องคนงานป่วยพร้อมกัน4ห้าคนคืออยู่ๆก็มีใข้เจ็บคอ แล้วไข้ก็ขึ้นสูงอย่างรวดเร็วนอนสมนทำงานไม่ได้ผมจำได้ว่าเจ้าอาวาสไปรดน้ำมนต์ให้แล้วคนงานก็หายกลับมาทำงานต่อหลังจากหยุดชะงักไปหลายวันจากนั้นผมก็ไปทำบุญที่วัดกับแม่เห็นคนวิ่งหน้าตาตื่นปากก็ตะโกนว่าผีหลอกผีหลอกแม่เอาแล้วคนคนนั้น วิ่งเหมือนคนเสียสติไปหาเจ้าอาวาสเมื่อเขาเล่าให้ฟังก็พอจะจับใจความได้ว่าแกเห็นผู้หญิงและผู้ชายสามสี่คนเดินดูรอบๆจุดที่กำลังลงเสาตอนแรกกูคิดว่าชาวบ้านแต่จู่ๆคนพวกนั้นก็ถอดหัวออกจากรางแล้วคว้างหัวมาทางเขา <Please. S 1> เขาตกใจมากขอลาออกกับเท่าแก่ทันทีวันนั้นเลยต่อมา ก็ยังมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอีกเมื่อวันหนึ่งได้มีคนเห็นสุนัข ก, กำลังวิ่งจะมากัดแต่พอเขาหยิบไม้จะตีมันก็หายไปต่อหน้าต่อตาบ้างก็เจอผีเด็กมากวนในเวลาทำงานหรือแม้กระทั่งพระผีที่เดินหายไปต่อหน้าต่อตาในตอนกลางวันแส ก, แสกเมื่อมีเหตุการณ์เกิดมากขึ้นชาวบ้านแถวนั้นก็ไม่กล้าไปดูคนงานก่อสร้างอีก และหลังจกเริ่มมีการปูพื้นศาลาแล้วก็มีคนงานค่อยๆทยอยหนีไม่ยอมไปทำงานอีกคนงานคนหนึ่งได้เล่าให้ฟังว่าเขาเห็นพระมายืนดูใกลๆแต่พอหันไปพระรูปนั้นก็หมุนหัวตัวเองเล่นอย่างกับลูก่างเลยอีกคนก็บอกเขาเห็นคนเยอะมากเดินไปเดินมารอบๆศาลาสุดท้ายคนงานก็หนีไปกันหมด เขาแก่ผู้รับเหมาก็ขอโทษที่ต้องขอยกเลิกงานโดยยินดีที่จะคืนเงินมัดจำทั้งหมดเพราะเขาเองก็เจอกับตัวอยู่เหมือนกันแกเล่าว่าตอนที่มาถึงวัดแกเจอผู้หญิงในชุดโจงกระเบนมายืนชี้หน้าใส่แล้วก็หายวับไปซึ่งแกเจอแบบนี้ตลอดทั้งวันแกบอกว่าไม่ไหวแล้วขอลาก่อน เมื่อผู้รับเหมาคนแรกจากไปก็มีคนใหม่อาสาเข้ามาช่วยวัดโดยได้เอาคนงานของตัวเองมาด้วยเจ้าอาวาสก็มารถน้ำมนให้คนงานทุกคนก่อนเริ่มงานแล้วยังรถบริเวณที่ก่อสร้างจนชุ่มไปหมดเหมือนฝนตกแต่ทว่าเพียงแค่วันแรกเท่านั้นคนงานก็เจอเรื่องราวสยองสารพัดไม่ว่าจะเป็น ผีที่มาเดินเล่นรอบๆ บ, บริเวณก่อสร้างอยู่ตลอดเวลาบางคนถูกสะกิดแต่พอหันไปดูก็ไม่เจอใครซึ่งก็เป็นอย่างนี้อยู่บ่อยๆหรือที่หนักหน่อยก็มาถอดหัวโชว์ให้ดูก็มีทำได้เพียงสามวันเท่านั้นคนงานก็หนีอีกปล่อยสาลาทิ้งร้างไว้อีกพักใหญ่จนต้องมีการประชุมพระกับชาวบ้านซึ่งก็ตกลงกันได้ว่า จะช่วยลงแขกสร้างต่อให้เสร็จแต่คราวนี้ตกลงกันว่าจะทำเฉพาะตอนกลางวันเท่านั้นสมัยนั้นผมยังเด็กอยู่อายุแค่สิเอ็ดขวบผมเองกลัวก็กลัวแต่ก็ไปกับพ่อที่ช่วยสร้างศาลาขณะที่ผมยืนดูคนงานอยู่นั้นจูๆ่ๆก็มีคนมาบอกว่าให้ผมไปหาหลวงพ่อบอกว่าเขาอยากได้เหล้าขาวหนึ่งขวดตอนแรก ฟังดูตลกให้เด็กไปขอเล่าจากพระมาให้เขาแต่พอผมหันหลังไปดูอีกทีคนที่มาขอก็หายไปแล้วพี่คนงานคนหนึ่งขณะที่กําลังยกไม้กระดานท่ามกลางคนสิบกว่าคนที่มาช่วยก็เห็นชายแก่คนหนึ่งเดินอยู่แล้วทะลุหายเข้าไปในตัวพี่คนแล้วชายแก่คนนั้นก็เดินถอยออกมาหันหน้ามายิ้มให้ทุกคน ต่างเจอดีกันหมดแม้กระทั่งพ่อของผมเองก็พูดขึ้นมาว่าใครเป็นผีเป็นคนดูก็ไม่รู้กูไม่ทําำละโว้ยเมื่อพูดจบพ่อก็พาผมกลับทําให้ศาลาหลังนี้สร้างไม่เสร็จไปอีกหลายปีจนผมเข้าไปเรียนต่อที่กรุงเทพกลับมายิ้ยมบ้านก็ยังเห็นศาลาค้างเตึงอยู่อย่างนั้นไม่มีใครกล้าแม้แต่จะย่างไกลเข้าไปใกล้เลยด้วยซ้ํา จนเมื่อไม่นานมานี้ได้มีชายหนุ่มอายุยังไม่มากสักเท่าไหร่ซึ่งเป็นคนจากกรุงเทพมาขอบวช ด, ด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่รู้แต่บวชไปบวชมาด้วยความที่เป็นวัดบ้านนอกมีพระจํำวัดอย่างมากก็ช่วงเข้าพรรษาสามสี่รูปพอออกพรรษาบางทีก็จะเหลือแต่จเจ้าอาวาสรูปเดียวพอมีคนหนุ่มเข้ามาบวชใหม่แถมทําให้วัดนี้ ดูมีความเจริญมากยิ่งขึ้นวัดก็น่าเข้ามากขึ้นพระเจ้าอาวาสมรณภาพก็เหลือเพียงพระรูปเดียวในวัดตำแหน่งนี้จึงตกเป็นของพระหนุ่มอย่างลีกเลี่ยงไม่ได้ได้วยความคิดของคนรุ่นใหม่กับคำว่าผีไม่มีจริงเจ้าอาวาสหนุ่มหาพระป่ามาลงจนได้เงินมาสร้างศาลาการเปลี่ยนต่อตำนานเรื่องเล่าตั้งแต่ครั้งหลายสิบปีก่อน ก็วนกลับมาให้ชาวบ้านได้เล่ากันอีกรอบแต่เจ้าวาดท่านไม่เชื่อท่านถึงกับลงมือยืนคุมงานเองแล้วบอกกับคนงานที่มาสร้างว่าพระอยู่ไม่ต้องกลัวแต่ทว่าพระนั่นแหละวิ่งไปก่อนคนแรกเลยหลังจากนั้นเจ้าวาดหนุ่มก็มาบอกในภายหลังว่าขณะที่ท่านยืนคุมงานอยู่นั้นก็สังเกตเห็นว่า คนงานมีจำนวนเยอะขึ้นเรื่อยๆจาก 5-6 ถึงคนที่มาในตอนแรกมันกลายเป็นสิบกว่าคนพอหันไปมองเดยรอบก็พบว่าทั้งศาลามีแต่คนเต็มไปหมดนับร้อยๆคนแล้วพากันดาหน้าเดินเข้ามาหาท่านด้วยหน้าตาที่โกรธมากเหมือนกับว่าจะมาเอาชีวิตของท่านจึงเป็นเหตุให้ท่านต้องวิ่งหนีแบบหมดฟอร์มปัจจุบัน ศาลาแห่งนี้ก็ยังสร้างไม่เสร็จจนถึงทุกวันนี้สมัมผัสสยอง